หายข้งหายท่านอาหารหรืว่าหายกาลังเป็นท่าหายท่านยาแกรโรคเวียกว่าพลังงานรุเป็นท่าเปิดมากแต่คนนี้โรกน่อยไน่ขาดน้ำหายย่านย่นเป็นท่า พากาเร่องเป็นข้าเรือหยานเริ่ม เ, เป็นข้าจะไปถึงที่ไหนก็ไปถึงไงก็ไปจะถึงสวนครื่อยข้าอาย่าจะไปไงมือเสนาชนะเป็นข้าโยกหายคลี่สบายเป็นข้าข้าจาแนกออกเป็นลยายาข่านาไฟลามี ข่านของทมดาท่าบงง้อท่านไห่านออุปปาละเมฆท้านของที่ห้องหวกรอนน่านมาตปามาธปานามิท้านของพงคี่สุดเป็นทาน่านเก่าเป็นท่านข่านทีจะคองกิ่นจะคของใส่ สูงก็จะของกินจะของใสเดี๋ยวว่าท่านพระธรรมทานระีสัะปนโนมนี่อันนี้สองหลายในในอเมตัชานพระพุทานั่งธรรมทานั่งชินาติ น, นั่นเป็นท่านขั้มในอเมตัชานท่านที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นสัตวประดิษฐ์สิหารปริ อันนี้อันนี้สมมากก็มือพลัววงขันให้คอให้ยน้าท่าอย่านี้กมมีกำลังให้กาลังพยานให้กำลังพทานที่นี่พวกยันทบรุรีพุทธาสาาก็จะฟังไม่ออกหรือวันกันมีอยู่สองคนอยู่นี่เนื่ทานบุก มหาปริจาเค ท, ทานหนุกทานรูปเป็นทานเหมือนพระโสลงมาศาสดาทานกันหาชาลนีนเป็นรอดทานอีกอันหนึ่งพะทานของนักเรียกว่าทานหมูทานกานทานของนักทีสุดจะเป็นทานมีอะไรสงมากอ่าพระาวมมาวิมุตติพระพุทธเจ้าจึงจะทานได้ไง แต่ผู้สร้างมาระนี้เป็นพระพทจ้าพระทานอยู่เร่วมกันแต่บางคนน่ทานยอดของจำปินก็นี้บางคนทานเพื่อมะขุนที่ทานก็นี้จะอย่างไรก็ตามให้ทานรักษาสิ้นภาวนาตัวคนทุกข์แรงว่าท า, านของสารนั่นเป็นยอดของทานเป็นยอดของศิ้นเป็นยอดของภาวนาเป็นโลคุณละทานด้วย นกคาศีนทานวางเนิดเดี๋ยวครับคืนมาพูดอันนี้อีกก่อนทานวางชนิดทานตามธรรมดาถ้าไม่ทานเป็นเขาจะดูถูกยินทานอันนี้เขาไม่ในบุญมากทานเพื่อตอบแทนเพื่อให้ผู้อื่นตอบแทน อันนี้ก็ไม่ได้บุญมากแต่ได้บุญอยู่ถ้าเราไม่ทานท่านจะไม่มีที่อยู่ที่กินอันนี้ก็ไม่ได้บุญมากทานเพื่อไปสวรรค์อันนี้ก็ไม่ได้บุญมา ก, านน ก, มมากแต่ได้บุญอยู่ถ้าเราไม่ทานจะไม่มีผู้ทานให้อันนี้ก็ได้บุญอยู่แต่ไม่ได้มากทานเพื่อแก้รลาคาน ถ้าเดินผ่านว่าเราเขาทานด้วยมือหยิบอันนี้ได้บุญนิดเดียวเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าเข้าอันอื่นได้บุญน้อยอันเนี้ยทางก็แก้ลําพางทานเาื่อวุญยิตอันนี้ถ้าไม่ทางก็เแปงว่าเขาจะปตีเตียมเจ้าอุตส่าห์ทำตามเขาอันนี้ก็ไม่ได้บุ่นว่า ทานเพื่อรวยแม่ทับย์สินอันนี้ก็ไม่ได้บุญมากก็ได้อยู่ทานทั่วไปสวรรค์อันนี้ก็ได้บุญมากขึ้นอีกว่าทานเพื่อพระนคพรายโดยด่วนแม่รอชาติอันนี้ได้บุญมากที่สุดสรักษาะสินภาวนาก็อันเดียวกันต้องามัมาอันเดียวกัน นื่เรื่อ ง, องพระเจ้าธิมิสารประกาศภูนพระบรมศาสดามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเล่าให้ฟังองีกเพื่อกันความสงสัยในต่างๆน้ามช้กลางทางขอกนั่งขุณนื่่มันขอัหวยังไงพระเจ้าพากเว่าน้าแช้กลาง แต่ว่าขอบคุณนั้นบุคคลพูดเขามีศีลมีธรรมอยู่แต่คําพูดเป็นคาเช่นว่าภาระสนะโสดใช่แล้วแล้วกนไฟไฟ็น้ำใสใสกลางกลุ่มของน้ำใสขอบกลุ่มกลางคือยังไงคาพูดไาระสนะโสดมากแต่คิดใจไม่มีธรรมเลยมีเล่ห์มีเรี่ยวอยู่ในนั้น กินตัดกินปอดมนุษย์แต่คำพูดนั้ไพเราะชนะโสตใจคิดใจไม่มีธรรมแค่เลยมีได้มีเหลี่ยมมีแผนเขาบรามาสัดาใช้ทั้งขอกด้วยใช้ทั้กลางด้ว ย, ค, วยคำพูดก็เป็นธรรมภายนอกก็เป็นธรรมภายในก็เป็นธรรมลายกาขก็เป็นธรรมใจก็เป็นธรรมตรงกัน ภายในน้ามุ่นตาและขุ่นขอบด้วยถ้งพูดก็ไม่ไพเราะสนอโสดทั้งคิดใจก็ไม่เป็นทํศ า, ศ า, นาด้วยพรบรมศาสนารูปความเทศนาของพรบรมศาสนาบางอย่างบางชนิดพูดปรอบโยน เส้นตอบโยนพระอานนท์เป็นต้นที่พระอานนท์น้ำตาไหลเธอจะตาน้ำตาไหลทำไมเธอได้อุปถาเากลามาราชานายพบต่อเจพาพุทธจวนนี้นับแต่ขั้งพระเจ้าอานมทัทสีข่านปารถนาช่วยจะเป็นสาวพุทธอุปถ า, ธาเธอได้ทำบุญแล้ว ปฏิบัติเราสถาคตไม่ในหวังเพื่อลาภคอยรถลดไม่ไม่ในหวังอวดไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะประคุณมนุษย์ปฏิบัติโดยเป็นธรรมเพื่อมรดผลนควานจริงเธอได้ทําบุญไว้แล้วเธออย่าไปน้ำตาไหลเลยในเวลาจวนเราจะเข้าสู่คนิพพานนี้ะเราจะสิ้นลมปราณเร็วๆนี้่เธอไม่ควรไปร้องไห้เลยเพราะเธอทำอะไรเธอหวังเพื่อทําเป็น ทำทางนั้นเมือ่อได้ไหวมาหวังขัวโลกเรเยกวระเทศบอบโยนเธอจะได้สำเร็จพระหันในเวลาทำสังขารขั้งที่หนึ่งในวันนั้นเองแต่นี่ต่อไปสามเดือนเธอจะสำเร็จพระหันเียกว่เทปยะเทียบเทศบอบบอบโยน เทศชักถามถามคืนสิ่งใดไม่เที่ยะสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นเป็นทุกข์เป็นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล้าเป็นทุกข์พรเจ้าข้าสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วจะมายืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกนั่งมันจะถูกไหมไม่ถูกพรเจ้าข้าถ้าอย่างนั้น เธอทั้งหลายควรจู้ตามเป็นจริงเถิดังขานทั้งหลายเมื่อเที่ยงป็นพกัอนกจ้เมื่อเธอทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงแล้วความหลงสังขานทั้งหลายของเธอค่อยจะค่อยๆไปอันนี้ประเทศยอนถามประเทศดุดา่าเประเทศดุด่าพระวักตริพรว่าตริ ไปดูวรวะกายของพระองค์ว่าเป็นของสวยของงามก็เลยด่าต่อหน้าแขกเธอจะมาดูทํอะไรของป่วยของเน่าหนี้นี้นี้นีไปหาภาวนาซะไอ้ลุต่อหน้าแขกองค์ท่านก็ไปแบบหมดสุด แรกก็จะไปกระดดเหิื่ตายพรบรมสารีรัตน์จิตแล้วตอนนี้ไปหาพอเห็นพระบรมศรารีรัก็ดีใจแล้วก็ข่มปีติแล้วก็ตั้งใจภาวนาแล้วก็ทำอย่าพระาดหนันเรียกว่าเทศอุบายคงผู่เทศอุบายแบบไปชดแ ด, ดกดันพมาลงาพระตาบลุ่มพระบรมศราสดา คนตายแล้วเกิดไหมมีบุญม่บาปไหมยชี่ยวก็อนันต์ทีรกากก็อนันต์ไหมยชี่ยเป็นอื่นที่รัก็เป็นอื่นไหยถ้าพระบรมศาสดาไม่เทศนาพระไม่อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังออถ้าพเจ้าจะาเสกขาเออเธอพูดอย่างนั้นเราก็รู้จักเธอแล้วเธอมาประชดแดกแดกให้ว เธออยากจะลาศิกขาก็ลาศิกขาไปเสียอ้าเธอไม่ได้สัญญากับเราไอ้ว่าถ้าไม่แสดงอันตรายที่ตะสิศนี้ถ้าไปแค่จะไม่บวชเธอไม่ได้สัญญากับเราไอ้ครั้งแรกเมื่อเธอจะมาพูดชดแก้ดังกับเราอย่างนั้นเธอก็สิดไปาศิกขาไ ป, าาไปวันนี้ก็ลาไปซะเรียกว่าเทศแบบไปชดเทศทุนเถียงทางคาธรร ม, มาทิศนี้ พระบรมศาสดามีหลายวิธีนั่งกินจิกพระบรมศาสดาแสดงทำทำอยู่นั่งกินจิกก็หาอุบายว่าพระพรมศาสดานั้นไปทําตัวให้ตั้งคันเพิ่นพอจะพอด้วยอะไรอย่างนั้นเรื่องเหล่านี้ในวาระก่อนนโยบายของแกพอดีเหมือนกัน เพราะถูกจ้างเขาถูกจ้างของศา ส, ศาสนาอื่นเพราะฉนั้นว่าศาสนาพุทธมีร่ำมากแต่พวกศาสนาพุทธมีมานี่พวกเราอดอยากอาหารอดอยากสารพัดปัจจัยสีท่ทีนี้พวกศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็ไปจ้างนางกินจินางกินจิเป็นนางโสเภณีเป็นคนสวย ก็สาธาอื่นก็เลยไปกล้านับเป็นพันเป็นหมื่นด้สมัย น, น, นั้นเหมื่นทหาปละทีนี่สมมติว่าพระบรมาส า, าสีราพักอยู่ในภูเขาอย่างนี้ละ่ะสมมติจึงจะเข้าใจง่ายแล้วก็พอเวลาหัวค่ำก็ทำท่าผ่านผ่านฝาดออกไปจากวัด ทำท่าผ่านออกไปจากวัดเธอมาจากไหนนอาจากพระบรมศาราีริาทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้พอตอนเช้าพระตูนไปเช้าพระทาท่าออกมาออกไปจากวัดไปพบเขาเขาก็ถามเธอมาจากไหนก็เมื่อคืนนี้ไปนอนอยู่กับพระบรมศาราีริาต่อมาต่อมาประมาณสามเดือนก็ทํา ถ้าว่าอคอย่างนี้วพอประมาณไม่รูปสามเดือนทีนี้พอประมาณ6เดือนก็ทำแบบหนึ่งพอประมาณเก้าเดือนก็ทำแบบหนึ่งทีนี้ทำอุบาย น, นั่นล่ละที่นี่วันหนึ่งคนทั้งหลายก็ฟังเทศยูมั่วแต่เทศทก็ดูทองของในขันสิ ต้องไปหานหน้าหาปืนเพศไะไรเพศเป็น lifting. แล้วมาดูได้ทันเอาไม่มัดเอาไม่มัดเอาม่มัดเป็นทอนทอนเันทอนเันทอนเปนทอดทอดนี่ทอนี้คันตัวคันตัวแล้วก็เอาผ้าคลุมอย่างนี้แล้วก็ทำท่าทำท่านะนั่งสมาธิสงบทำท่าอย่างนี้ เวลามาก็ดีเวลานั่งอยููก็ดีคนทั้ ง, ทงหลายก็นั่งฟวามเทเรอยงนี่แหละพูดเสวตใจก็มีทีนี้เออไม่เคยได้ยินจนะแล้วทีพวกเรา็ศาสนาเขาอยู่เทเสทีน่นี่นั่งหนูธรรมะเออในเรื่องนี้น่ะมันรู้จักแต่เรากำหนางนั่นแหละของคนทน่านละคนอื่นไม่รู้จักกับเราด้วย นางหาความใส่เราตะขาคตรนาก็รู้จักอยู่นางมาหาใสนางก็รู้จักอยู่ตะขาคตรก็รู้จักอยู่มีเราสองคนนั่นเองเพื่อนพยายามกันเอ๊ะมันก็อย่างนั้นนั่นสิจะค่ะทีนี้ก็เดือดร้อนจนถึงเกทวโลกเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็นิรมิตร หนูหนูน้อยหนูน้อยเข้ามาแต่ไมาให้คนเห็นแต่ไม่ให้คนที่นั่งอยู่นั้นเห็นมาเขามากัดสายกัดสายที่ผูกผูกไมมเป็นท่อดมันทอดมันท่อ น, น, อนบรรดานให้นางลุกถึงนี้พระเอ็นพระเอ็นบรรดานให้นางลุกก็คือกรรมของนางเองบรรดานให้ลุกพอลุกขึ้น ก็ต๊ะ อ, ออกใช่ไหมไม่น่าต๊ออกมันท่อมันท่อมันท่อมันท่อมันท่อเติมในบ่วงขาเนี่ยผู้นี้เกจว่ากขาเตะเลยท่านก็องค์ท่านก็บอกว่าอย่าไปเตะนางเน้ออย่าไปทําอันตรายกรรห้องนางหรอกต่อไปไม่าถามเท่าไรพอผ่านส้นวัดไปก็ดินเกิแผ่นดินผล่เลอันนี้เรียกว่าเทพต่อรอดต่อเสียง แค่แบบแสดงพยามกปาฏิหาริย์นีนี่ถ้าไม่เชื่อก็แสดงปาฏิหาริยามกเหาะให้ดูหรือปลูกมะม่วงใส่ฝามึงให้ดูมันเป็นมิตรสาพุทธภูมิอันนี้ไม่ใช่มิสายขาวกแต่พมกคลาก็สามารถทำได้เพื่อจะเทศเอาคนพู้ที่เรื่องสายนั่นฟังแล้วจำพวกครูทั้งหกนั่น มันยังไงมันก็ไม่ลงแค่นี้เพราะมันเสียเปรียบเราไปอาเกียนตายก็มีกระจูกด้ามตายก็มีเพราะท่านแสดงมรรคพิหาราขัดวันประกันพรุ่งกันวันนั้นละวันนั้นละจะแสดงความสมมติแข่งปาศรีฐารแข่งกันคนทั้งหลายก็มาดูเงินจํานวนล้านๆมาดูพกครงก็เลยสู้พระบรมศาสดาไม่ได้นั่นพระบรมศาสดาประกันบานประกันบานวระตู แต่วพวกเราไม่ได้รับกระทบกรเตือนทั้งขนาดนั้นหรอกและก็ไม่เป็นนิสัยของพระรลกด้วยเป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้รับกระทบกระเทือนมากกว่าเรานี่บางสิ่งบางอย่างเหงาปูมันกระทบกระเทือนโรคปิดกระทบกระเทือนผู้ใกล้ชิด ดาเลยทำย้ำบ th ้านหลังเสือนั่นทำมาไว้แต่ไม่มีในทีวัดประวัติของเราเราไม่ได้เขียนเพราะมันยาวเกินไปเราก็เลยไม่เขียนเวลารับเป็นพบาแล้วเป็นกลุ่มเป็นสามกลุ่มรับเป็นพบาทแล้วเขให้นั่งห้อยเท้าที่นี่าทำมาไว้นั่งห้อยเท้าแ็นมาตัวของ รถปูมั่นเป็นมาตัวเนึ่งพวกนี้ก็นั่งกันเป็นแถวเลยกลุ่มนี้เขามาเขามา้วครับรับเรนธรมายแล้วผ่าอนอแล้วก็มีโยมมีโยมอุปถากคิดแต่เอาผ้าผักขาวปูไว้วเอาเรียนตายปูไว้ปูแทงผัาขาวให้องค์ท่านเรียบนี่องค์ท่านคงไม่สนใจ คงจะเข้าใจว่าเขาอยากจะให้เราอยา่าดิ้นอ่อนๆท่านก็เลยไปฏิเยบท่านท่านท่านม่สวนใจ่เราแต่พกะนาไม่นึกไม่ฝันว่าคนใกล้คิดจะทำอย่างนั้นเขเพาไปฏยียบแล้วก็พระอร่อยนั่นไปบูชาไปแกกกันบูชาตื่นมาวันใหม่องค์ท่านตาราบเ เออพ่อพูดมาปฏิบัติอย่างนี้ไม่มาให้ไม่ให้มาไตรคิดนะอย่ามาทํานะพอพูดพูดเถื่อนเเถื่อนเข้าไปเวียนเท่าบากลางมากเลยไม่ให้มาไตรคิดจะมาปฏิบัติแบบนี้ไม่ให้มาไตรคิดเพราะว่าหลวงปู่มันเป็นคนปฏิบัติแข็งขดจะมาเล่นเฉยยศาสตร์อย่างนี้ไม่เอาพ่อพูดนะนีนี่นี่อย่ามาปฏิบัติพ่อพูดนะแกก็ยอมทีนี้ ยอเลยมาทําวัดถึงถ้าอย่างนั้นก็จะเซ็บเจ้าให้ทําอีกต่อไปลงมาถึงพวกเราเน่ยถ้าเขาเอาวุธของเราไปบุยทายอย่างนี้ต่อดูจมูกก็โด่งไงนั่งไต่กันไหมนะพิพิธภัณาของหลวงปู่มั่นในศิลศาสตร์ไม่มีเลยศิลศาสตร์นม่มีในพิพิปภัณฑของท่าน นี่แต่พุทธศาสตร์อย่างเดียวพระมหากษัตริมมาสาส์ก็ไม่เอาไปปนท่านบอกว่ามันติดขวางมันติดขวางพระโสาบังเยาษศาสตร์เนี่ยคนที่ถึงว่าโสตบังแล้วเขาไม่เล่นเศรษฐศาสตร์แต่พิรามันดาของเรานะี่เล่นเศรษศาสตร์อยู่เหมือนกันแต่ ว, ว่าทําเสียเคราะบูญชาอยู่แล่วพวกพุทธศาสตร์นะประถือ เพราะท่านยังไม่ถึงพระโส ด, ดาบันท่านจะทำอย่างนั้นมันยากคนรานคนจะถึงพระโส ด, ดาบันก็เป็นของยากอยู่นนะคารวะก็ดีพระก็ดีเนรก็ดีมันเป็นพระเป็นเนงเป็นเซยศาสตรกันไปหมดพวกบอกเรียกบอกขาบอกวัดบอกเบอร์เป็นเซยศาสตรท์ทางนั้นแหละบางแห่งบางที ทีนี้จะยกปรทสาหนให้ฟังในเรื่องปัจจุบันงัดป่าท้านในการมาหาบัวในระหว่างเจ็ปีกว่าพระองค์หนึ่งทำผิตวังท่านก็บุกต่อหน้าโยมชั้นสูงเลย ลุกต่อหน้ายมท่านงสูงเลยนี่นี่นี่นีนี้นไม่ต้องอยู่นี่นี้วันนี้เดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้พระองค์จะพอโอกาสจริงเขาไว้ชก่อนถุครับเขหช้เกิ่อนเสกครับพระองค์นี้ ท่านจนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้เราจะได้นี้ทั้งสองไม่ว่าจะองค์นี้เลยท่านจะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้มันมีความปร ะ, ปร ะ, ประสงค์ยังไงจึงเป็นอย่างนั้นถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ท่านดับคิดฐิมานะ์ของมนุษย์เราก็มีความประสงค์อะไรอันหนึ่งเราจึงไปพูดหนังนั้นหวังอยากจะเอาคะแนนในที่ประชุมว่าคูบาอาการย์ะเทศเราไม่ตูกบ้านไม่ถูกเวลาอยากให้คนที่ประชุมนั่น เรื่องสายคนเองก็แล้วไปขอเอาง่านขอเชก่อนขอเชก่อใค่ายก็ม า, า, าท่านบอกท่องในการเทศจึถ้าก็ไล่นี้ทั้งสองเลยนั่นคิดทางทิศตะบนไล่นี้ทั้งสองจึงกลงก็เลยหนีหนี ไปลาชิขาอุม์หนึ่งลาชิขาก่อนองคที่สง อ, องลาชิขาที่หลังเพื่อจะ ท, อดดทํารรชดแบกันทีนี้มูทั้งหลายก็เลยมาถามล่ะเป็นยังไงธรรมประามทำไมถึงเป็นอย่า ง, งนั้นอย่างี้เออถ้าผมแก้ผมแก้ไม่ยากหนึ่ง ถ, ถ้าในทางที่ดีถ้าเรามีอวดดีง้อก็ต้องนิ่งเฉย เพระนั้นก็ตังนิ่งเปนหน้าที่ของท่านเพราะเราเป็นเหล็กแข็งเป็นเหล็กแข็งทั่ากับเสาเสาไฟแร ง, งตรีต่อหน้าแขกเพื่อจะให้แขกเคลนที่มือด้วยเพื่อจะให้คุ้นเชื่อมใครในโลกด้วยเราพุยตรงนี้เลยที่นี้ กเลยวลาเสียขาใเวลาเสียขาเลาเสียขาแทนที่อะไรจะให้ท่านเสื่อมรากเสื่อมยศท่านก็ไม่ได้เสื่อมรากเสื่อมยศเออท่านสององนั้นปฏิบัติเก่งนั้นกันทำไมท่านเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมามาม า, มาถามของท่านรวงผู้สูงถ้าท่านเหล่านี้ไม่ถึงธรรมะแล้วจะให้ใครถึงธรรมะว่าย่างไรเขาอดอาหารก็าอดตั้งสิบวันยี่สิบวันก็มงปฏิบัติมา น, นานแล้ว จัปฏิบัติมานานจักเพียงใดก็ตามภาชนะที่มันรั่วอยู่แล้วจะตักน้าเทน้าใส่เท่าไรมันก็ไม่รับไว้หรืออีกอย่างหนึ่งก็เปียบเหมือนหมาถ้าเทเราลดน้ำใส่หลังมันมันก็สลัดออกฉันพูดใ <c oughs> สกก็แก้ทีเดียวเลยแ้น ท, ที่จะไปราสิลาสิขาให้ประชดท่าน ให้ท่านเสื่อมราบเสื่อมยศเอง น, นี่องค์หนึ่งอีกเหมือนกันปอนั้นกอน็อีกองค์หนึ่งอีกท่านประเทศลุกดา่าอืมแล้วก็ไปปลูกพวาตายในระหว่าง 2,500-3,400 0นนะในายุคปัจจุบนที่ไปปลูกพวาตาย น, นะวัดเนี่ยเขียนคือว่บาบอกว่าตามปฏิบัติธรรมะนี่ ถ้าพระเจ้าไม่สามารถปฏิบัติได้หรอกถ้าไระเจ้าจะมานะภาพเดี๋ยวนี้เราจะแขวนคอตายถพระทหารเห็นแขวนคอนี้ตำรวจเขาออกมาเราพนักงานก็ออกมาแทนที่จะทําให้ท่านเสื่อมเสื่อมล้าเสื่อมลดทําประโยชน์ให้แก่ท่านมาท่านเทพตนแรงเตนไปตำรวจมาทหารมาตำรวจจะมาใส่ร้ายท่านท่านก็พูดกันเยวถ้าไม่เราพูดเราพูดเองเราพูดเอง เราให้การเองคนอื่นให้การก็ไม่สูดกับเราหรอกการเทศน์นาวาเก่า ก, ากค่อยบ้างแรงบ้างอย่ามาผูกมัดไร่กับนายข้างเหล็กตนก็ไม่ได้อย่าไปตีค่าแรางนักอย่าไปต่อค่าแรางนักอย่างนี้มันก็ไม่ได้เราก็สั่งสอนเพื่อให้เขาดีแต่เมื่อเขาจะทําทระชนเราเขาไปผูกคอตายมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เป็นเรื่องของอาตมาอาตมาไม่ได้บอกให้เขาไปผูกคอตายมันเป็นเรื่องกรรมของเขาต่างหาก พวกพนักงานก็หมดเสียงเสียงแล้วมาเอาความผิดกับอาตมามันก็เอาไม่ได้อาตมามันมีเกียรตนินะได้เขาไปลูกคอตายมีอะไรเหร็นบายอะไรจะเป็นประโยชน์อาตมาก็อภัยเพราะฉนั้นอย่าไปเทศอย่างนั้นพราะนี้อย่าไปเทศอนันนี้จะมาผูกมัดอาตมามันก็ไม่ถูกถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปผูกมัดข้อแม่เไว้เงืเรื่องอย่างนันอย่างนี้อย่างมาเอามาเทศข้าวไปเจ้า หรือเราก็ไปโขมัดรัฐบาลไว้อย่างนั้นอย่างนี้จะไปออกกฎหมายมันก็ไม่โูกนะการพูดดังนี้การที่จะพูดอะไรจะพูดดังหรือพูดอะไรก็ต้องพิอย่ารณาเสียก่อนไม่ใช่เราพูดเฉยๆการพูดอย่างนี้ก็เลยหมดเรื่องไปที่นี่มูทั้งหลายก็มาถามเราทําไมทึ้งเป็นอย่างนั้นการที่เป็นอย่างนั้นไปคัดค้านกันไปคัดค้านครูบาอาจารย์ต่อหน้า ญาติโยมมากๆก็หวังเพื่อจะให้ญานิโยมให้คะแนนตัวท่านเห็นทิศทีมาละนั่นท่านต้องดึงเข้าใหญ่โตหัวฐ า, านนะ่ะแต่ว่าท่านพูดตโงโงโงไม่ถูกเราพูดอย่างนี้ทีนี้เพราะตนจว่างแซงเอาจว่างแซงออกอคะแนนจากท่านอยู่ในต่อหน้าจึงปรอไว้เพราอ้ก็ยิ่งแนงขึ้น <c oughs> ไล่ท่านนี้วันนี้ก็ได้นะท่านจะไปก็ไปสิผมมีสิทอย่างเต็มที่ าการรับคนเ้าไว้พระเทละสมาคมก็บอกแล้วให้อยู่กับเจ้าอาวาสงานไปะไรนี้ก็ให้มีทิ่กับเจ้าอาวาสพระเทเรสมาคม ถ, ถือตามเข่วย ใ, ในของพระถ้าอขอพระขอพะงอจะมีเงินส่วนตัวกี่ล้านก็ตามตายแล้วก็ต้องเป็นของสงฆ์ ใครจะมาเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ได้เงิน ไ, ไว้แต่จะให้พระ ก, กอพระขอแล้วให้ไปก่อนตายเชย ท, ทําทำภายในในกรรมไว้แล้วก็ตามถ้ายังไม่ทำเอาหนี้ก่อนตายก็จะเป็นของสงฆ์เานั้นในในคาพ่อยไในละเอียดละออมมากแต่กฎหมายทุกวันนี่มันก็พิดไปมาอยู่ไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรเอาคำนวณกฎหมายไปได้ นี่แหะทางเข้าไปในของสงของเจดีย์ของบุคคลของของเจดีย์คือของอย่างนี้เขานอกมาบูชานี่เอาไปบูชาทางอื่นก็เกี่ยวข้อนกันนี่จะเอาของเจดีย์เช่นของชาติถนนเป็นต้นบางท่านไปเออซื้อรถมาขี่เขา่าออกมาบูชาชาติถนนเงินจํานวนนั้นของของเจดีย์เรียกว่าของอันนี้เขามาบูชาเช่นดอกไม้พวกเพียงรี่เป็นอะไรก็เกี่ยวข้กันเช่นพรนพุทธรูปเขาเอามา เกดีนี่เราจะยกพระพุทธรูปเราจะย่าไปวัดอื่นมันก็ไม่ถูกใครมีสิทธิ์ไปย่าพระพุทธรูปไปพุทธเจ้าสตรีนั่นนี่อันนี้นี่ของสงของเจดีของบุคคลของสองมันมีสองอย่างของสองคารุภัณฑ์ไม่ว่าของหนักเช่นกระโถนอย่างนี้จะแกะเป็นของบุคคลไม่ได้เอาไปใช้่อยไถ่ตามกิจวิหารได้กาหนามทาั้งหนาม ส่วนเงินที่มันเป็ น, นที่ขอนอ้อมมาในเสนาส น, นะถ้าเราไปเป็นของส่วนตัวกเขาไม่ได้อี ก, ก น, น, นั่นกันนายธรรยันไหมนข้างพร ะ, ะพุทธเจ้าพุทธะนักไปไปกินของสงฆไปกินเงินสงฆตั้งแต่เก้าสิบสองกับนี้เราก็เลาไปตกนรก อยู่เมื่อออกจากนาุรบมาแล้วก็เลยมาเป็นเปรตพวกสำมภเวสีเมื่อไปก้าพืา้นที่ศาลถวายเรือล้วนสวนไม้ไผ่แล้วไม่ได้อุทิศหาแล้วก็เลยมาปรากฏในคำฝันจะมาเกาะอยู่ที่ตามฝาปรากฏให้เห็น อาคันตาวานาสังคลังกระโมเตยอนนาปานำเหตุในภาษาบาลีมาเกาะ อ, อยู่ที่ขวาให้ปรากฏเจ้าของให้คณะญาติเห็นและบอกว่าในมาในคำสัญ่าบอกว่าถ้าแม่ทำามรุทิทฮะข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเปรสัมภเวสีแย้งฮะที่เกิดอยู่ที่ยงเลยไปเล่าให้ข้ า, า, าพเจาและมาสาฟัง พร า, ราพเจ้าราชการฟังว่าบอกว่าเป็นของจริงเพราะท่านทั้งหลายถว า, ายเวรวนสวนมสายให้เราไม่ถว า, ายถึงเปตญาตาดเลยถ้าอย่างนั้นก็ท่านทั้งหลายก็จงถว า, ายหาเปตญยาต่าดอีกถ้าทําบุญในเวลาไหนเปยต์ตะย่าจะครอบนี้เป็นพวกสำเนเอสีจะได้รับอานุสงค์กับพวกคณาญาติที่อุทิศให้ แปรตจัมพวกอื <imir Sham krit> ่นนอกจากขําพ่อเรศีแล้วไม่ได้รับเลยบางกัมพวกไปต๊ะรถก็แล้วกันบางกัมพวกไปสู่สวรรค์แล้วก็แล้วกันบางกัมพวกไปเป็นตับเตียนสามแล้วก็แล้วกันไม่ได้รับหรอกแต่ว่ากุศลพ้บุญนั้นคือมาหาพวกท่านอยู่ถึงเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ต่างกุศลพ้นบุญก็มาหาพวกทายอยู่คำพูดอย่างนั้นเขาได้รับก็ไมใช่ว่ากุศลพ้นบุญจะหมดไปเขาไม่ได้รับก็ไม่ใช่ว่ากุศลพ้นบุญจะไม่มาหาตน ฏิธานทำไมพระเสด็จต้องการให้สดบุญคลืนมาหาผู้ทำบุญนั่นเองปุญญานิคนธโรกษเมงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าบาปก็เป็นที่ทำลายของสัตว์ในโลกนี้ในโลกหน้าเหมือนกัน ทีนี่พ่อแม่คนมั้นกันว่าเกิดมาแล้วมีอันไหนดีก็บอกลูกบอกหลานเมื่อลูกหลานไปทําผิดมันก็เป็นเรื่องของลูกของหลานจะไปตู่พ่อแม่ก็ไม่ได้ท่านไหนก็ดีวัดหนึ่งวัดหนึ่งก็เหมือน ก, กันอันไหนดีค ร, รูอาจารย์ก็มาบอกมาสอนแต่เขาไม่มุ่งดีเขาไปทํามันก็เป็นเรื่องของเขาสิ ก็ไปตีพ่อตีแม่ตีปวาการมันก็ไม่ถูกเหมือนกันให้อย่างนั้นฮะเขาไปทําชื่ออขาไปติเตียนสังฆราชสิจะทําดีก็จะให้คุมอยู่เหมือนนักโทษใครก็ไปคุมไหว้ใถ้าอย่างนั้นเราก็ไปถ้าเราไปตีเตียนพวกอารมณ์ราชามันก็ไม่ถูกไปตีเตียน ท่านว่าท่านรักษากนในกรุงเทพไม่ถูกไม่มีรูนวัสนารักษาคนในประเทศท่าบ้านเมืองมีแต่คนทําชั่วแต่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะของไทยของวันไปทําสิ่งที่ดีท่านก็ทําเป็นอย่างอย่างเล ย, ยแล้วให้ท่านรักษาสิ่งภาวนาเป็นหัวจัของพวกเราอยู่แล้วเพราะสังาขารก็มั่งมัน่นจะไปตีเตียนท่านก็ไม่ถูก เนี่ยมึนมยางงานียยมยานซื้อหัวแขงางคมคนวันทิศม่นมอางงานี่ยงยานดำยานซื้อแพแห้งพอคู่นั่นมันมีอรู่วมว่าได้รือหัลานคนเท่าออใไม่แรกแกข้อหลัวจ ว, ว, ว, ว, ว, วแกเขาขะนันกต่พ่อเป็นแน่ว่าไ ในพระเวเนยบอกว่าถ้าตัวาอาการทําผิดอย่าไปหิ้ยหืออย่าไปเหิ้ยหูติเตียนทำเชิงปรึกษาทําอย่างนั้นเป็นยังไงสาระทําอย่างนี้เป็นยังไงสระแต่ผมยังสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะถูกหรือไม่เมื่อถ้ารู้ตัวท่านกลับเองแล้วจะไปไป ห, หิ้ยหอด่าพวกมันก็ไม่ถูกพ่อแม่กขาเหมือนกัน อะทำอย่างท่านแล้วจะว่าไปพูดเจกสีกระทบกระแทงมันก็ไม่ถูกต้องพูดโดยคาร์ส่วนท่านน่ะถูกถูกขาดสงวนว่าท่านจะเอาวิธีไหนไปเป็นเจื่องของท่านะจะค่อยเรื่อยๆเป็นเรื่องของท่านเหมือนแข่งเล็กท่านเล็กไม่เป็นหน้าที่จะไปผูกมัดด้วยอย่าไปเขาข้าไปเจ้าให้แดงเนะ้อไม่เอาค่ะ แล้วยาไปตีข้าพเจ้าแรงนักเมื่อมีแขกมีคนมาก็อย่าไปว่าให้ข้าพเจ้าเออมันจะเสียมา ร, รยามันเป็นหน้าที่ของเหล็กจะไปปลูกกำลังนชน่างไว้มีน้ำํำซําเล็บอันไหนมันแข็งๆที่เขาไปเศ้าอยู่เตา้าเขาคอยดูอยู่นายข้างตีให้อวดเขาอยู่เชื้อรวยเพอย่างนตีให้เห็นเขาเห็นตีมืออีกเชื้อรวย ที่เรื่องทะเลาะกันในบ้านในเมืองท็เานกั น, กนลูกหลานทะเลาะกันใครก็พ่อมลูกของใครของมันถ้าที่เป็นนักว่าแล้วก็เตียมมนลูกหลานตัวลูกหลานข่านี่มันไม่ดีอีอย่างนั้นแบกอย่างนั้นอีอย่างนี้แบบอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีถ้ากาไป ไปรับรองรูปของตนดีร้านของตนดีอย่างนี้คดีก็ทวีขึ้นเออลูกของข้ามันไม่ดีอย่างนั้นละเออข้าเขาไม่รับรองมันว่ามันดีดอกที่โทรศัพท์ของเขาก็อ่อนลงถ้าใครก็ต่างไม่ยอมทำข้อของใครของมันมันก็ไม่ได้อีกแบบอีกแบบหนึ่งมันตีหมดทีน่นี่เราก็ไม่พร้อมเราก็ตีหมดนี้ใจของเรา ตีบ้างแต่ไม่ได้บางทีมาตีให้แขกเข็นเหมือนกันท่านพ่อแก่ลูกแก่หลานของท่านเขาก็ตีมาตีใส่หน้าแขกเหมือนกันแล้วจะไปทวดท่านถ้าก็ตีใส่หน้าแขกเหมือนกันในลูกหลานของท่านมันมีประโยชน์กว่าที่เราห่วงไว้ คิดก็ตีไม่คิดก็ตีกับถูงเวนไปของเขาก็อ่อนลงถูกไหมถ้าเราไปเพิม่มลูกเพิมหลานของเราหมดเสแล้วยกเทัากันเล่ากันเลยไม่ถูกอย่างแต่เราเคยถูงมาหลายเนี่ยเราตีหมดแต่ว่าไม่ตีเพิอมนรับแต่เราตีหมด ให้หนะก็ตียกวัฒนาใกล้เคสเท่าไรกยิ่งตีลูกหลานเท่าไรก็ยิ่งตีตียังไงคำพูดเพราะตีทิ้งมันได้ตีเอาเพราะตีเล็กเขาก็ตีเอาไม่ใช่ตีทิ้งถ้าเป็นเด็กคนโตน เ, เขาวาดเขาป่าเลย พระพุทธศาสนามีหลายเหลี่ยมจำพรรษาเนี่ยตั้งมุตการพระพุท ว, วัคคะวัคคีนัดหมายกันว่าผมดีก็ดีไปท่านดีก็ต้องดีไปอย่ามาเตือนผมอย่ามาว่าให้ผมผมก็ดีท่านก็ดีไม่ต้องว่าให้กันต่างคนจ่าไม่พูดกันตลอดพรรษา เราบอกเาศาสตราด้ทราบก็บอกว่าศาสติงง์นางของเราสถาคนจะดีขึ้นก็เพาราะติติก็เพราะสั่งสอนกันตามอายุพรรษ า, าตามท้านานในโลกว่าอย่างน้นไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้าหายกินทาง อ, อเมริกาหน้าเดียว มนุษยไม่ว่าตเนอีล้คนอื่นโทษคนอื่นแห่ง่ายฝ่ายของตนแห่งยากทุกๆกท่านเว้ น, เเนพระหันเสียหรือเว้นพระโสดาบันเสียพระโสดาบันมีขอบเขตจะปีคนก็มีขอบเขตจะชมคนก็มีขอบเขตนอกจากนัน้นเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่ดีมันว่าไม่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีมันว่าดีก็มีมันเอาเป็นขอบเขตไม่ได้ไม่เหมือนน้ากว่าไม่เวมนพระโสดาบัน พรสราราบาลชกษาคามีนาคามีอรหันท่านว่าอันไหนไม่ดีอันนั้นก็ไม่ต้องไม่ดีจริงๆท่านว่าอันไหนดีอันนั้นก็ต้องดีจริงๆทําอย่างนี้ดีทําอย่างนี้ไม่ดีมันก็ถูกของทำมันเหมือนคนพานคนพานบางทีดีมันว่าไม่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีมันว่าดีก็มีสิ่งที่มันไม่ดีมันว่าดีก็มีสิ่งที่มันสลับกันนี่บาง ลราคนก็บอกว่าก็มีพระองค์ที่อยู่ภูเก็ตพังงาน <c oughs> เราไปผมมีวาดง่ า, างมากไปที่ไหนเขาก็แห่ผมรถรถหลายคันตามผมไปสงผมไปจนถึงภูเก็ต เราเป็นคนหัวดื้อใท่านก็มากกว่าเราของภาษาโอ้เขโอกาส่ารในการก็ผมเข้าใจว่าเขาเฉลิบตัดคอคนเขาก็เหงนเหมือนกันชอบพูดอย่างนี้ถ้าเป็นเนนเอยจะตกหน้ามาัา้แต่เราเง้าใจใสิ่งท่านท่านก็รู้จักนีิสัยเรา แปลว่ามาเห็นเราก็ถามวาเอมไปไหนมันมาเป็นดุรินะครับคนที่ใสยอย่างนั้นก็กมีการถูกเขตีรูว่าบายการเราต้องเป็นขั้นที่หนึ่งถึงอย่างนั้นจึงพอมาเป็นหัวหน้าพบ้าอย่างนี้แหละ บางทีคิดเท่านี้คิเออดเท่านี้ก็กาเออจนท่วมหัวสมองบางทีถูกเท่านี้ก็ยกยอเลยยกยอตั้งสี่ห้าวัจะยกยอก็ตามจะยังไงก็ตามเราจะหัดไม่ให้ติดอยู่ในติเราจะไม่หัให้ให้ติดอยู่ในขั้นยกยอหน้าที่ของเรามีก็ต้องทําโดยประชนแดดกัน ถ้าเรากระทํามาทดแดกดกันหรือไม่ข้าหน้าข้าวตาอะไรยิ่งไปใหญ่ทีนี้ยิ่งไม่มีที่อยู่ยิ่งร้อนใหญ่การอยู่กัคอบครูบาอาจารย์สคยได้ผ่านมาแล้วคิดดูร้องปูมันยี่สิบห้าพรราจึงมีผู้ร่างบมัให้ เราชิ้นท่าภาษาจะมีผู้ร่างวาดให้ถ้าจะให้มีผู้ร่างเขาก็ล่างอยู่คนไม่บุไม่มีบุญวัสนาก็ไม่มีใครร่างให้ละจะตอบอย่างนั้นก็เอาสักแต่ ว, ว่าถ้าแสวงหามันก็มีอเหมือนกันยี่ชิ้าภาษายังไม่เอาสมานเนร์ตามหลังเลยยังไม่เอารวมกามหลังเลยแล้วผู้มันร่างเองไปเองกินเอง นั่นระเบียวก็ตัวอย่างไหรแก่ทุกวันพวกเราทุกวันนี้ตดองทำข้าวเมื่อใครจะบวชก็ต้องไปหาเรียกแข่งเรียกขาหาอุปกาะเสียก่อนวันไตรซันลาวข้าวขัดดินเป็นส่วนมากทุกวันนี้น้าสาพระนา้าใครที่ร่วมสมนกันทีนี้ทุกวันนี้ โยมก็จะเทศพระเอาพระพระก็จะเทศเโยมที่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นพวกเียดกันอันนี้ น, น้าแปลกเหมือนกันเลยไม่เหมือนกับวัฒการนะทุกวันนี่พราก็จะเทศเอโยมโยมก็จะเทศเพระทุกวันนี้แย่งนันเทศนักเทศนี่มากนักปฏิบัติไม่น้อยทุกวันนี้ ถ้าเราพูดดังๆทำท่าทำ ท, ทางเขาก็ว่าเราโกรธถ้าเราพูดปลอยพูดทุกภาพเรียบร้อยเลียแข้งแลียขาเราก็ว่าเก่งว่าจะไม่ได้สิเตจเก่งเ้าจะขาดศรัทธาเที่ยวเลียแข่งเลียขาถ้าเราพูดดังๆถ้าเราทำท่าทำทางถ้าพูดแข็งอย่างนี้ เขาก็หาว่าเราโกรธเราไม่ปฏิบัติอย่างดีกว่านี้ทุกเขารักษาสิ่งห้าอยู่บ้านไม่ได้ไปแถวนั้งก็มีพูกที่มันจะลงกันพูดค่อยมันก็เอาไปฟังพูดแรงมันก็เอาไปฟังทั้งท่าทั้งทางยังไงมันก็ไปพิจารณาไม่ไม่ไม่มันไม่เพ่งโทษมันก็เลยบอกกันได้พูกที่ทาามันไม่ถูกกันเนาะพูดค่อยก็ไม่ได้ พูดอุบายอะไรก็ไม่ได้มันมันต้องมีอะไรอันหนึ่งแซงอยู่นั่นแหละมันไม่พูดเสียงต่อปากก็มีแต่ว่ามันพูดเสียงอยู่ข้างในคนไม่พูดก็มีสองอย่างหนึ่งมันไม่ลงไทยมันก็เลยไม่พูดหนึ่งมันท้าเหี้ยท้าผลมันก็เลยไม่พูดคนพูดก็มีสองประเภทพูดเพื่อท้เห้ท้าผลพูดเพื่อไม่ยอมใครมันก็มีสองประเภทเหมือนกัน จะอย่างไรก็หัวใจของใครของมันก็จงส่วนรู้เอาไม่ต้องให้คนอื่นมาตัดสินใครปรารถนาอย่างไงใครมุ่งอย่างไงก็งให้คิดใจของตอนเองพิจารณาเอาไม่ต้องให้ผู้อื่นมาหาพักหาเสียงทางธรรมะของพระบรมศาสน า, ษาใครปฏิบัติช่อบรรทุกในวัฏจักสงสารจริงหรือใครปฏิบัติเพื่อพอเป็นพิธีอย่างนี้ก็ถามตนเองตอบตอนเองนั่นเถิดอย่าให้คนอื่นมาเป็นพยาน อยากไปหาเสียงเหมือนภายนอกทุดโถ่ตะมัวสองโโค่ไม่ใช่ของต่ำไม่ใช่ของสูงถ้าคิดสูงมันก็สูงถ้าคิดต่า ม, มันก็ต่ํามันขึ้นอยู่กับคิดกับใจกับสติปัญญ า, าเด็กเรานี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับพวกกับคําพูดคําพูดแก่น้ำไหลไฟดับกตะเพียงไรก็ตาม แต่คิดใจเมื่อไม่เป็นธรรมแล้วมันเก่เาเป็นประมาณไม่ได้ภูมิของพสวโสดาวันเป็นเครื่องวัดเนอะในทางพุทธศาสนาเอาภูมิของพระโสดาวันเป็นเครื่องวัดเนอะถ้าเห็นแก่กระเป๋าของตัวแล้วก็ไม่เหมาะสมอีกเขาจะด่าต่ว่าจะแรงสักเพีงไหนก็ตาม ถึงจะโกรธอยู่บ้างก็ไม่ผูกเวรผูกของพระสดาบันถ้ามีมึงเถื่ออยู่แล้วน่ะไม่ใช่อะไม่ใช่พระสดาบังละเล่นเล่นเล่นผาเล่นบัตรเล่ือเล่นโบว์เล่นวิขง่าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค่าขายสารอะไรเนี่ยสารที่ต่อค่าพวกเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาพิษสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผุกของพระสดาบั เนือไม่ใช่ภูมิเพว่าสวันดิบาลแล้วจะว่าตนมีที่พึ่งหยาดเนะียมมันก็ไม่ถูกจะว่าตนเป็นพุทธมามะกะเต็มภูมิมันก็ไม่ถูกเพราะเอาโขนชวอหัวไปตัวเองนังถ้ากรมขั้นกัางเนนกรมขั้นกัา ง, งโยนกรมขั้นต่างในนนี้ ถ้ายังหวังโลกียั่วิสัยอยู่ในการให้ทานราคาสินภาวนาเนี่ยมันยิ่งไกละไกละยิ่งไกลพระโสดาบันพระโสดาบันเมื่อในหวังโลกีวิสัยเพราว่าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารสิ่งเดียวเท่านั้นเอาพระพุทธธรรมประสงค์มาเคารพรับถือเท่านั้นถ้าเจ็บป่วยมาก็ไปหาหมอมารักษาเท่านั้นเมื่อด้กาตัวขี้ตัวนั้นมาทํากูผี้ตัวนี้มาทํากู ถ้ากล่าวอย่างนั้นไม่ถูกพระสวัสดบิบาลไม่มีผีจะมาชงมาส่งสังกองเงียบๆอย่างนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่พระสวดาบานไม่ได้เป็นอย่างนั้นผีไม่มากไตา้ผีในที่นีาา้ไม่ม้ไม่มาใกล้เลยไม่มีการเข้าส่งที่บอกว่าตรวจปาทิโมกไล่ผีผีเข้าพิษุกบอกพิษุกนั่นเคยถือผีมาแล้ว ยังไม่เป็นพระสวสดาบันผีก็เลยมาเข้าก็เลยสวดปฏิโมกข์ย่อไล่ผีไล่ผีออกแล้วก็จึงสวดปฏิโมกข์ย่อก็เลิกกันบอกถ้าองค์นั่นเคยถึงผีมาแล้วยังเป็นผู้ที่ช่งคนหนาอยู่ยังไม่ถึงพระสัสดาบาลถ้าอย่างนั้นผู้ที่ผีไม่เข้าถึงพระสัสดาบาลหมดหรืออันนั้นก็ไม่รับรองอีกนี่แล้วผมมาหาถามมาถามปัญหาอยู่ในบ้านห้วยทาย พูดถึงผู้บวชมาแล้วถึงมาขอดาบันเขาจะลาศึกษาไหมเราก็รู้จักว่าท่านทดตอบเราเฉยดอกไม่ใช่ว่าท่านจะไม่รู้จักแล้วก็ตอบว่าถ่อข้าพผมนึกว่าไม่ลาศึกษาดอกถ้าบวชเป็นพระได้มาขอดาบันเป็นพระแล้วก็ไม่ลาศึกษาถ้าบวชเป็นเลนได้ขอดาบันแล้วก็ไม่ลาศึกษา ส่วนฆราวาสเขาจะอยู่ไปตลอดชีวิตมันก็ได้นักแกะพระอนาคามีลงมามาพูดอย่างนี้เออผมเห็นชอ บ, บด้วยท่านครูถ้าลองวัวหานเราไปเกิดเราไม่ค่อยใจว่าท่านไม่รู้เดีย๋ยงสู่มาหาลูกคนปัญญามากเลี้ยงสู่มหาปัญญามากการบวชมันก็มีสอ บวชเพื่อโลกีบวชเพื่อโลกุตละบวชบวชเพื่อโลกุตละถึงจะมีกีเลสหรือเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามเจตนาอันนั้นเหนือเจตนาทั้งปวงเลยผู้บวชทั่วคนทุกนวาว่าชท้าสงสารถ้าไม่พูดเข้าใจผิดจะมาลบหลู่ดูหมิ่นต่างๆอย่างนี้ก็แค่ค่าขับวทนาไสงฆ์ว่า ยกแหน้าเขาเลยถึงจะมีมารยาทไม่สวยงามก็เพียงไหนกว่าตามแต่เกียรติาของเขาเพื่อบรรทุกงานว่าตามเขสารแล้วเขาเป็นพยานเขาได้แล้วไม่ต้องหาเสียงภายนอกท่านผู้ใดจะมาทําลายในทางตรงในทางอ้อมด้วยวิธีใดๆกว่าตามจะทําให้ชื่อเสียชื่อเสียงอิสรภาพกว่าตาม ถ้าขับวัวาำลายคุณว่าไม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งไม่ทางหนึ่งก็ทางหนึ่งถ้าจะเอาทางพูดไพเราะเป็นประมาณก็ไม่ถูกนางโสเพณีคนที่คนที่ไปไหนคนที่เพราะต่างบ้างอย่างนั้นก็มีแต่ผู้ที่เป็น น, นางโสเพณี คือที่เป็นนางโสเภณีนางสิดิมาเป็นนางโสเภณีแต่วว่าถึงพระตัวดาบัแล้วใครหลังมานางกินจิกที่กล่าวมาเนี่ยก็คือใครก็คือท่นานนางอมิตรตาในข้าเห็ดสันดอนั่นเองในชาติเป็นข้าเห็ดสันดอนั่นเองนางกินจิกนี่คือนางอมิตรตานั่นเอง พระเทวทัต ก, ก็คือใครก็คือชูชกมันเองในข้าเพาเจก็เป็นพระเวทสันดรศาสนาพุทธมันมีสร้างบา ร, รมีมาอย่างลึกซึ้งมีสิ่งที่ทดสอบอยู่ว่าถ้าผู้ใดยินดีในการภาวนาทุกขังอนิจจังอ น, นัตตาเพื่อหาเหลี่อมเบื่อหน่ายคลายเมาในายาตาสงสาร ผู้นั้นฆ้ามาลามีแก่ฆ่ามาแล้วถ้าผู้ใดยังแสวงหาลาภายศอยู่ในวัฏฏะสก a า d ก็เรียกว่าบาลมียังอ่อนอยู่มากมันมีสิ่งทีสอดสอบอยู่นั่นกันภิกษุองค์ใดจะอยู่ในที่ใดจะไปในที่ใดก็ตามสมณเณรก็ตามถ้าเราจะไปไปอยู่ที่นั่นจะมีราบ ถ้แาแล้วไปที่นั่นจะมีราบถ้าพิชซูใดสามนเณรใดนึกอย่างนั้นแล้วก็ไปพิชซูสามนเณรนั้นไม่สามารถจะถึงโลกุตตระธรรมได้ทู้ตลอดถึงธรรมขั้นสูง ถ้าเราอยู่นี้จะมีผู้รับถือลือดีจะมีลาบตั้งใจสี่บริบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไปทางนั้นก็เหมือนกันถ้าเราไปทางโน้นก็เหมือนกันจะมีผู้รับถือลือดีจะมีผู้เคารพนับถือพิชฌานั้นไม่สามารถสามนเณรนั้นไม่สามารถจะถึงโหุตระละได้จะไปที่ไหนก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะพยายามทาความเพียรตามสติกําลังของเรา ให้คนทุกข์ในวัฏฏะทขสารจะน้อยหรือมากก็าตามภิกษุองค์นั้นพระมเนรองนั้นจะไปก็องไปเถิดจะอยู่ก็จองอยู่เถิดพูพูดตามเป็นจริงในประธรามสมพพโในมหาขันในบุพวิษาก็มีถ้าเราไปทิศทางนั้นถ้าเราไปอยู่กับอาจารย์องค์นั้นเราจะมีราบมียศ มีเงินใช่ว่าไม่ผ้ามีผ่อนค่อนสบายมากเราจะก็หาอยู่ที่มันรวยๆจะรวยรก็ไม่รวยกว็าตามเธอจะอยู่ที่ไหนก็าตามจะทุกขจะจนสักเพียงไรก็าตามเธอจะเดินวันยังค่ำก็าตามจะนอนหมดคืนก็าตามส่วนหลับนั้นไม่นับส่วนไม่หลับนับแต่ส่วนไม่หลับจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็าตาม ถ้าเพื่อพุทธุกุณวรัาต์ทั้งสามเนี่ยพูดโทรคเดียวก็มีค่าอย่างนั้นถ้าหวังเพื่อลาบแล้วจะเรียนจบพระไตไปิฎกว่าเป็นผู้ทุจชิคนหนาอยู่นั่นเองนั่นพูดเก็บผู้สวดจะพูดนำไหลไฟดับก็ตามแต่ว่าจิตใจหวังโลภีอยู่เพราะนั่นก็ไม่ใช่พระสสดาบันท่านพูดอย่างนั้นโสดันโสดาวโสดากันเอง ให้ทารั ก, ารกษาศีลภาวนาเพื่อเป็นเอาเป็นเกียรติประกุมมนุษย์อันนี้ก็ยิ่งไกลพระโสดาวันนัอนกันไกลพระอริยบุคคล